ที่ชื่อว่ามีผู้ถวายคือวงเล็บหนึ่งเขาถวายด้วยกายด้วยของเนื่องด้วยกายหรือด้วยโยนให้วงเล็บสองเขาอยู่ในหัตถบาตวงเล็บสามภิกษุรับประเคนด้วยกายหรือด้วยของเนื่องด้วยกายนี้ชื่อว่ามีผู้ถวายที่ชื่อว่าอาหารได้แก่ของที่ฉันได้ยกเว้นน้ำและไม้ชาระฟันนี้ชื่อว่าอาหาร ว่านอกจากน้ำและไม้ชำระฟันคือยกเว้นน้ำและไม้ชำราฟันภิกษุถือเอาได้ตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอบัดทุกกฎภิกษุฉันต้องอบัดปลาจิ ต, ตีทุกๆคำกลืน